การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนข้อที่สเข้าประจำที่ประการแรกอยู่ในวัดที่เหมาะแก่การเจริญสมาธิความจริงควรอยู่วัดเดียวกับพระอาจารย์แต่ถ้าไม่พาสุขก็พึงไปหาวัดที่เป็นสัปพายะสาระคือหาสถานที่ที่เหมาะเกื้อกูลแก่การปฏิบัติ ท่านให้เว้นวัดคือที่อยู่ซึ่งมีโทษส8ปประการคือวัดใหญ่มีพระมากต่างจิตต่างใจเรื่องมากและไม่ค่อยสงบวัดใหม่ต้องปล่อยไปยุ่งงานก่อสร้างกับเขาด้วยวัดเก่าจัดมีเรื่องดูแลมากวัดติดทางอาคันตุ ก, กะมาบ่อย วัดมีสหินคนมาชมุมนุมกันมากวัดมีผักวัดมีไม้ดอกวัดมีไม้ผลคนจะมากันเรื่อยมาเก็บดอกไม้ขอผลไม้และอื่นๆวุ่นวายวัดที่คนเชื่อถือมากว่ามีพระวิเศษเป็นต้นคนจะมาออกันมากวัดติดเมืองวัดติดป่าไม้ใช้สอยวัดติดที่นา เป็นทินที่ชาวบ้านทำกิจธุระการงานและหาเลี้ยงชีพวัดมีคนไม่ถูกกันทำให้ยุ่งกับปัญหาวัดติดท่าน้ำท่าบกคนมากับรถกับเรือแวะเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้สงบวัดทินห่างไกลชายชแดนคือที่คนไม่นับถือพระศาสนาวัดติดพรมแดนเขตแห่งอำนาจระหว่างสองรัฐ อาจเป็นการเสี่ยงภัยแม้แต่ถูกหาว่าเป็นจารบุรุษคือสายลับวัดมีสภาพไม่เป็นสัพปายะเป็นที่มีอารมณ์ต่างๆรบกวนมากและวัดที่หากัลยาณมิตรไม่ได้ซึ่งข้อนี้ชัดอยู่แล้วส่วนวิหารหรือวัดที่เหมาะสมคือเศนาสนะที่ประกอบด้วยองค์5้าอันได้แก่ 1. ไม่ไกลนักไม่ไกลนักไปมาสะดวก 2. กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนไม่อึ ก, กระทึก 3. ปราศจากการรบกวนของเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลาน 4. เมื่อพักอยู่ที่นั้นไม่ขัดสนปัจจัยสี่ มีพระเทระพระหูสูตรซึ่งจะสามารถเข้าไปสอบถามอัต ธ, ธรรมให้ท่านช่วยอธิบายแก้ความสงสัยได้ดูความเต็มในอังคุตรนิกายทศกนิบาตในบาลีกล่าวถึงคุณสมบัติของตัวผู้ปฏิบัติที่จะบรรลุวิมุตติได้ในเวลาไม่นานไว้ด้วยว่าประกอบด้วยองคุณหประการ คือ 1. มีศรัทธาในตถาคตะโพธิ 2. ส, สุขภาพดีโรคน้อยระบบการเผาผลาญคือไฟาธาตุพอดี 3. เป็นคนเปิดเผยตัวตามเป็นจริงแด่พระศาสดาและเพื่อนพรมจารีไม่มีมายา 4. มีความเพียรบักบันจริงจัง 5. ามีปัญญาที่จะชํแระ ก, กิเลสได้ในหัวข้อที่สนี้การเข้าประจำที่อีกประการหนึ่งคือตัดปริภโทษเล็กๆน้อยๆคือข้อกังวลเกี่ยวกับร่างกายเครื่องใช้ประจำตัวไม่ต้องให้เป็นข้อกวนใจจุกจิกขึ้นอีกเช่นตัดโกนผมขนเล็บเย็บย้อมจัดการเรื่องผ้าจีวรให้เรียบร้อย ชำระที่พักอาศัยให้สะอาดเป็นต้น